คมึงทำงานนานจนความพอใจมีคนมาชอบคุณเยอะคนณมารู้คุณกันใหญ่แต่ผมก็เป็นคุณนางไนนั้นก็ไม่ได้วังมากมายเพียงให้คุณมารับกันนานเท่านั้นเท่านานเท่านานไปเลยถ้าเคยจะชวนคุณไปไหนคุณอย่าไปกับเขาเลยเชืไว้เดี๋ยวผมพาคุณไปเอง อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเลือกผมนะผมรักคุณอย่าลืมนะครับรับผมไวหน่อยรับรับรับรับผมหน่อยไวที่เจ้นาอีกสักคนเดีวผมจะครับรับกับผมเธอรรับรักรัผมเธอผมผมผมรัรองไม่ีเสียเลยไม่เลวนะครับรับผมไว้เนือนิดนึงรัผมเถอผมผมผมรัองไม่แต่ ร้อยพันคนคุณอย่ามองอย่าสนใจมาด้วยเตื้อใจของคุณก่อนให้คุณมั่นใจในตัวผมผมสิผมสิแน่นอนแน่นอนด้วยใจที่มีให้คุณไม่ใช่ผมคนเดียวที่ต้องการเจะรักคุณแต่คุณคุณคุณคุณก็เลี้ยผมละกันใครจะรอก่อนช่างเขาตามเป็นเราก่ช่างมันคุณอย่ามองอย่าหันไปสบตาขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ข อ, ค, ขอคุณกุณ้ the นนะย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเลือกผมนะผมรักคุณอย่าลืมนะครับรับผมไวหน่อยรับรับรับรัผมหน่อยไว้พีงนั้นอีกสักคนเธอผมจะครับรับคำพเชอรักเรื่องเรื่รื่ผมเหอะผมผมผมรับอม่มีเียเลยไม่เลวนะครับรัผมไว้เดือนนึนึงผ ผมโมโมเพียงเลยคุณจงรักผมเออเออเออเออลงเลยที่ผมลงตัวที่ผมนะอย่าลืมนะครับรับผมไว้หน่อยรอบรับรับรบผมหน่อยไวที่จะหน้าอีกสัก คนเก็บผมนะครับรับผมไว้เธอรัรักรักรัผมเอผมผมผมรับรองไม่เสีเลยไม่เลวนะครับรับผมไว้เธอเลือกเลอกเลือกเลือกมอะผมผมผมรับรองหม่แบกร้ยอย่าลืมนะครับรัผมไว้หน่อยรับรับรับผมหน่อยไว้ทีเดียอด้นอีกสั I'm the one who's in love with you.